ญาติโยหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สาม้องการจเจริญกรมาามรมฐานในเดือนกันยายน <c oughs> สองคืนที่ผ่านมาพูดเกี่ยวกัินวันนี้ก็กระสินอีกเพราะกรสินทั้งหมดจะมีจะมีสิบกองแต่กระสินที่เศษมีอยู่สองกองในสิบกองมีสองกองคือว่าปายโยกระสินกับอากาศกรสิน ก็ศสินสองกองนี้ไม่มีรูปของตัวเองจะให้นคนที่ทำกระสินสองกองในกองใดก็งหนึ่งก็ตามต้องใช้กําลังชายกระกองอื่นอันนี้ขอทิ้งไว้ก่อนนะแ ต, ต่ตอนต้นเราขอย้ําตอนตอน้นนั้งเรื่องเขาก็สิงเข้าไปริชาการดายความจริงๆแล้วบรรดาญาโยน์หลายที่ฝึกมโนยิทธิ เห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดเจนบ้างไหมชัดบ้างเห็นภาพเทวดาหรือปมชัดบ้างไหมชัดบ้างภาพนั้นเป็นกรสินถ้าเห็นภาพสีเขียวเวลานั้นเป็นนีเดกระสินเห็นภาพสีแดงเวลานั้นเป็นลูกเกดกสินเห็นภาพสีเหลืองเป็นกิตการกสินเห็นภาพสีขาวเป็โอทายกระสิน แต่เพื่อนเราไม่ได้บอกนงว่ากระสินก็เลยไม่รู้กันแต่ว่าเป็นถ้าเห็นสายจจ่มสายมากพกร่าพรายทะยักยันนั้นเป็นทานสี่ในเวลานั้นแต่ว่ากําลังเวียนาสีที่ฝึกมโนยุติยังใช้กําลังใช้กําลังใหญ่ไม่ได้ใช้แต่กําลังเล็กที่ลองมาคือใช้กําลังมีลิทธานใจทางกายยังมีไม่ได้แต่ถึงย่างไงก็ดีในตอนตั้งของพูดเรื่องตอนต้นเสียก่อน ตอนต้นจริงๆแล้วก็ถือว่าต้นถึงปลายขอให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทสนใจในสังโยษสามให้มากเพราะสังโยษสามเนี่ยมีความจํคาค็นที่จะทาให้ทุกคนพ้นจากวัยภูมิและก็จะไปนิพพานได้แค่สังโยษสามจริงๆนั้นไปไม่ได้แต่คนที่ละสังโยษสามได้จริงเข้าเขตของนิพาน คนที่เข้าเคก็ไม่ผ่านได้ไม่มีโอกาสตกระบายกูไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเศต์ระสุรกายสติฉันบาปเก่าเท่าไหรก็ตามไม่มีโอกาสให้คุณแต่ว่าสามารถทรงสัง้นการตัดสัญญาณไดแน่นอนใกล้รวบรับตัดอวิชารวิชาคือความโง่ที่ไม่ยอมรับความจริง หรือว่าเข้าใจความจริงไม่ชัดเนจนแจ่มใสมั่นคือคื อ, อยาติในมนุษย์โลกในเทวโลกแในปรมโลกก็ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาจริงๆว่ามนุษย์โลกมันมีความสุขหรือความทุกข์เราก็ยัยทราบว่ามนุษย์โลกมีความทุกข์ไม่มีความสุขอาราไม่์ฝืนนั้นให็นว่ามนุษย์โลกมีความสุขอันนี้แปลอารมณ์ฝืนใช้ไม่ได้ได้เป็นธรรชาติ ไม่ว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกไม่มีดินแดนไหนมีความสุขมีแต่ความทุกข์อั น, นี้เป็นเป็นมิชาเราตัดในจุดแหนแล้วใต้จุดทีดด่สองเทวโลกกับอมนโลกมีความสุขก็มีความทุกข์ท่านเขบอกว่าเทวโลกหรือมนโลกมีความสุขอันนี้เราต้องยอมรับว่าเทวโลกก็ดีอมนโลกก็ดีมีความสุขเนี โลกัวสองนี่มีร่างกายเป็นคิดมีสมบัติทั้งหมดเป็นคิดไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ป่วยไข้ไม่สบายไม่เด็กไม่แก่มีแต่ความเป็นหนุ่มือสาวจะเคืนจะขึ้นไปไหนก็ไปเร็วต่างกำลังใจลึกไม่พับกึงเลยเขาสบายมากความสว่าความสุขความสบายของเทวโลกกับมนุษยกมันทรงตัวไม่นาน เมื่อหมดบุญบัณฑนาบารมีก็ต้องมาอย่างดีก็มาเกิดตรงลึกไปมาทุกใหม่ถ้าใช้ปัญญาจริงๆรงเห็ว่าเทวลโลกกับอมตะโลกก็ไม่น่าอยู่ถ้าจะเป็นดินแดนน่าอยู่พราะเรียกาจจะต้องอยู่ไปเลยน้ะ็ไม่ได้เพราะจำต้องอยู่ด <c oughs> ินแดนที่น่าอยู่จริงๆก็คือนิพพานคนเนียกนิพนพานได้กันยังไงต้องออที่พยายามทพิจารณาร่างกายตัวเอง ให้เห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีไว้เสมอความจริงมันก็ไม่ดีมันจะดีได้ยังไงมันมีความหิวทุกวันมีความหนาวมีความร้อนมีกระหายกระตับกระใสรูปประการทั้งปวงมันเตือนมาด้ความทุกข์ร่างกายไม่ดีกายคิดว่าร่า้กายไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเพื่อความจริงใจเคยความเพื่อหน่ายร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยใกล้ตาย เวลาป่วยกายกาเกิดความไม่พอใจในร่างกายขึ้นมาเมื่อ น, นั้นนะ่ะการนั้นไปผ่นานแน่แค่นี้เองนะเขาไม่อยากอ น, นู้ว่าการวิธีปฏิบัติในตอนต้นอันดับแรกจงอย่าลืมความตายคิดว่าชีวิตที่มันยังสั่งตายใครถามว่าตายเมื่อไรรอแก่ได้ยังตายด้วยมันไม่แน่ต้องรู้ว่าคนที่เกิดที่หลังเราแลตายแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เราอาจจะตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะตายก็จะต้องส่งความดีเพื่อนิพพานไว้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ม่สงสัยในความดีของท่านแล้วก็มีสินห้ากำหนดสิบ 10, ครบเพื่อนเอาศินห้าอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะเราโสดาวันนี้ปากดีปากไม่เสียถ้าสินห้าอย่างเดียวปากเสียสามปาก อสุสัสดาบันกันดีสี่ปากเป็นหนึ่งปากไม่พูดปดพูดจริงๆดีสองปากไม่พูดคำหยาบพูดไพเราะดีสปากไม่นินทาชาบ้านพูดตรงไปตรงมาดีสี 4, ป่ปากไม่เพ่อเจือแล้วไหลละประโยชน์ที่นั้นสิบห้าบังคับจะเพราะว่าว่าไม่โกหกงดเท็ดก็จะใช้ไม่ได้ เครงควากต้องปฏิบัติการนี้คทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์ไม่พัดขืนในกาไม่ดีกราใดๆทางด้านจิตใจไม่พผดโดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดคือในทางชั้นใเขาไม่พูดคอยเจ้อหรือไหลละประโยชน์ทางจิตใจไม่คิดยาได้ทรัพย์สมินใบของใครโดยไม่ชอบทำและก็ไม่คิดจองไล่จองถ่ายไข่มีความเห็นตรงตามพระเจ้าทรงสั่สอน สมับรโดนกิจมีคิดไว้ต้องการไว้คืนนิสานจุดเดียวแล้วก็การปฏิบัติมรฐานทำเนี่ยสงบไว้ดีนะการปฏิบัติจวรฐานจริงๆเบื้องต้นก็แค่นี้แหละไม่ต้องทำมากทำได้แค่นี้พอเป็นคนุณรองวัโสดาบันในสุ่ฐานคามี เราจะได้เป็นพระอริยเจ้าเรืนี้เราไม่ไม่ไมสําคัญปฏิบัติตามท่านได้ก็แล้วกันท่านไปที่ไหนแล้วไปที่นั้นท่านถึงไหนเราถึงนั้นก็หมเพือนกันที่ต่อไปก็มาพูดถึงวาโยกสิงกสิงข้อที่สาวาโยป ล, ลว่าลงเพื่มาลาสอนสิงตาระเบียบตาระเบียดกันบอกว่ากวาโยกสิง มีอากาศกระสินก็ดีตั้งกระแสกำรางชายของกรสินอื่นเพราะไม่มีตัวไม่มีตนในไตรกฏลายโยเบ็นลมเพ่งลมเป็นนิมิตแย่มากจักราโดเอาเรื่องการเที่งลมหายใจกันเลกันถ้าลงหายใจยังเลินอยู่ยังเร็วไม่เป็นชานลมหายใจหยุดเป็นชานจุนนใจตายไปเลย กะลงความาเท่าฝึกใหม่ๆอาจจะเพราะจุดนี้ให้ดูยอดไม้เล็กจริงไม้ที่ต้องลมไม้จะไหวไปไหวมาไหวมาไหวไปในที่ว่าเพราะอาศัยลมพัดแต่ความจริงเขาไม่ใช้กันไหนนี่เป็นแบบปฏิบัติที่อาจาราอาจารนนย์เขียนอาจเขียนอความเมตตาถ้าเราจะขึ้นเราศิงลมเขาวายโยเราสิงจริงและกายเราสิงจริงโดยไม่อาศัยเรา ส, างสิงอื่นเราก็โง่เปลี่ย น, นไป ใครก็ต้องปูดไว้เห็นใบมไม้ไหวไปไหวมาเกียงไม้ไหวไปมาจากกิตจักตรงนั้นว่าตรเกษินใบมไม้ได้เกี่ยงไม้ที่ไหวได้เพราะใส่ลมพัดตั้งใจจำภาพไหวต้องเกี่ยไม้ได้ใบไม้ก็ตั้งใจนิพพานาววาโยกสินัเมตายเขาช่วงกลางนี่ต้องกี่ยนพุทานาเลยกางกองพระสิลธรรม ภาวนว่าวายุสินังนึกกลับการนึกภาพการไหวไปไหวมาของกี่งไม้ไม่ใบไม้ถ้าภาวนาว่าวายุสินังวายุสินังวายสินังอานึกนึกในใจไม่ออกเสียงต่อไปจิตก็เจะเคลื่อนภาพจะจางหายไปจากจิตถ้าภาพจางหายไปจากจิต กรเล็มตาดูใหม่ก็ทําทเหมือนการตระหนกสิ้นนะสินทำได้อย่างเดียวทั้งในหมดแต่ก็าต้องอดไว้นะนี้มาต่อว่าไม่บอกกันต่อมาต่อไปเมื่อจิตจับทรงตัวดีแล้วก็จะถึงความมั่นใจก็เข้าห้องโดยไม่ต้องดูกี่งไม้เอาจิตจับภาพนั้นนึกในใจว่าวายจูกระสินงาแต่การปฏิบัติก็อย่าลืมถ้ามันเคลียร์แือวเคียดเกินไปถ้าจิตฟุ้งซานมากเกินไปต้งหยด อยากเกิดในจุตนิโรธสุภาษิตเนี่ยทำอย่างนี้เป็นปกติจึงตั้งภาพที่เราเห็นจริงไม่ไหวเพรือว่าไปไม่ไหวจากลมติดตาตจิตใจทติดใจกักนนะนึกถึงภาพเ่ออะไรปลายกดชัดเจนเมื่อนั้นอย่างนี้เรียกว่าโอกาสคณิกาน้คณิก า, กาสมาธิโอกาสนี้มันบื้องต้น เป็นอกะนิมิตเบื อ, อนถึงนิมิตอะไรกันสมาธิมันจะโยงมันนึกขึ้นมาอะไรเห็นมันนั้นนึกขึ้มาอะไรเนมันนั้นอย่างนี้จะมัจะเปนึกว่าดีแต่ยังไม่ดีแต่ว่าสมาธิยังส่งตัวไม่นานเห็นภาพจริงไม่ไหวใบไม่ไหวประเดี๋ยวภาพก็าหายไปเลยเข้าขมาแทรถ้าเป็นอย่างนี้ถือเเรื่องธรรมดา เมื่อม อ, อารมณ์อื่าแทรรู้สึกตัวก็ถอนติดใหม่จับลมใจเขาออกเั่นคำรณาวาวาโยกสีนาแลายมือพึ่งภาพไปไม้ไหวใหม่ไม่ว่าการปฏิบัติจะเขากอ ง, องต่อมาเมจิตทรงตัวทีแรกภาพปใปไม้ไหวนั่นจะไม่เป็นกี่ไม้ค่อคยๆปลายกดเป็สีเหลืองถ้าปลายกดเป็นสีเหลืองที่ะน้อยจะน้อยจนทั้งเหลืองหมดใบไม้ก็เหลือง ยิงไม้ก็เหลวเหลวชัดเจนมากเราก็ส่งตัวภาวนาตามเดิมไม่ต้องถามว่าจะยังไงต่อไปทัาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนทำไปทำไปจิตละเอียดดีขึ้นใกล้ทิชชายสมาธิอดมันจะเริ่มค่อยๆคลายเสียงเป็นขาวค่อยๆคลายทีน้อยอันนี้เหมือนกันทุกสินแล้วต่อไปเมื่อขาวบริสุทธิ์สดใ ส, ดสหมดตอนนี้จิตเริ่มเป็น เป็นโอกาสหนึ่งเทมตราโอกาสนึ่งเทมตรานี้คืออุปจาระสมาธิขณะที่จิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิแ้วภาวนาอุาวนาหนึ่งเทมตราเวลาเน้นจิตเมืลมเป็นคิดตอนนี้ก็ไม่เห็นกิ่งไม้เห็นกระแสลมที่ไหลไปในอากาศอันไหลไปเร า, าเห็นได้ชัดมากหลับตาจะเห็นตามนี้เห็นตามนั้นลืมตาก็ไม่เห็นตามนั้น อนนี้เราก็มาบังคับกระแสลมนั้นพังบังคับกระแสนะไม่ใช่บังคับลมว่บาบังคับนิตรของลมว่านี่มิตรของลมมีนจงกระจายทั่วไปเต็มจักรวาลมันก็จะรกระจายขาวพลนไปเต็มโชติจักรวาลมิตรขอลมจนย่อดเข้ามาส่วนให้สั้นให้เล็ดลงให้ยอดเล็ดลงตารท่อใจของเรายาในที่ว่าเต็มโอกาสมิต เป็นอุปจาระสมาธิอย่างเป็นมิจาไม่ได้หากว่าจะใช้ภาควิชาสามเลื่อนใช้ได้เป็นที่หูใหญ่ถ้าจะใช้แบบภาควิชาสามไม่ใช่ปัญญาเขาก็ทําจิตจุดทีน่นิมิตจุดปัญญาจับมืมิจยาปัญญาตานายดีชัดเจนแจ่มใสมากถ้าภาพมือมิจฉชัดเท่าไรก็ตามที่เราจะเห็นต่อไปชัดเท่านั้น นักปุตตะโนยิจิการทำก็ดีจะได้มีการทรงตัวสมาที่สูงอารมณ์มีความสว่างสวายดีต่อไปถ้าอยากรู้จักภาพไรก็ไดว่า ข, ขอภาพนิมิตเกษมจงหายไปแล้วก็ขอภาพที่เราต้องการยองปลากรขึ้นคราวนี้มันจะเกิดแทนถึงชักเจนยามใสถ้าภาพนิมิตเกษมไม่ว่าคี่มิจฉาสามก็เริ่มใช้ตรงนี้ตาพิญญาเริ่มใช้ตรงนี้ไม่ได้ เป็นนนำมาได้สองคืนก็ยัใช้ไม่ได้วิญญาจะก้าวเข้าสู่สภาวะของฌานต่อไปแล้วก็ภาวนาสุารุมเรื่อยๆไปเอาแสงนี้มิตรลมจะ ก, กลายเป็นแก้วเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนทั้เป็นแก้วเป็นแข่งทึแก้วทั้งหมดใสสะอาดมากอย่างนี้ชื่อว่าเป็นชาน เป็นฌานก็ต้สังเกตดูฌานที่เราเข้าถึงยังรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเราเห็นภาพภูมิคของลมเป็นแก้วสายดีบังคับได้ใ จ, ใ จ, ใจได้เด็บได้แต่ว่ายังรู้ลมหายใจเขออกฌานอันนี้เป็นฌานที่ห น, นยังไม่ถึงฌานที่สองใช่ฤทธิ์ไม่ได้ต่อไปก็พารณาไปพิจารณาไปได้เพ่งได้เรื่อยไปจะปลายกดลมหายใจเข้าออกลืม คำภาวนาก็เร็วความจริงลมหายใจเขาออกมีแต่เราลืมไปนิดหนึ่งแต่เพราะอย่างยิ่งคำภาวนาหายเลยเพราะเอาเอาอนนะะง่ายๆลมลมหายใจเขาออกเบาลงเอาง่ายๆอีก็ได่เข้าใจความรู้สึกว่าร่างกายให้ใจได้เบาลงแต่ภาวนาหายถ้าข้าวจุดนี้เป็นฌานที่สองจิตใจยังมีความเอื่มมาก เจ้าจะใสดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสภาพคนนี้ภาพคนนี้ก็สิ่งจะใสดีขึนกว่าเดิมใสามากใช้ จ, จัดขึ้นมันในช่วงนี้จะมีความอิ่มอกจินใจมีความสุขมากในความอิ่มก็มากต่อไปต่อไปจิตจะสูง ข, ขึ้นสมาธิดีขึ้นความเอิบอึนจะหายไปมีแต่ความสุขเปลี่จนไปกับอารอณ์เป็นไหม่ ตอนนี้จะสังเกตไกวันลมให้ใจเบาลงเบาลงมากแล้วก็หูดีเสียงภายนอกเบามากเบากว่าปกติร่างกายจะนั่ ง, งหรือจะอนรู้สึกเตึงเต็นไข่ไข่ามามัดไว้อย่างนี้แปลการขั้นชานที่สามยังใช้ไม่ได้ต่อไปก็จะเข้าถึงชานที่สีตอนนี้ตัดความสุกออกเอกระคาตาโอเบคา ไอ้กตาคือจิตเป็นหนึ่งทรงในภาพนั้นไม่ถอยเวขาเฉยตาลมภายนอกไม่รู้ลมให้ใจเขาออกไม่ดินเสียงภายนอกอันนี้เป็นฌานที่สี่ถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ยานิฌานทั้งคล่องแล้วเข้าฌ า, เ า, า, านเอาใช้เข้าชาออกฟังเอกใจคล่องแล้วยังใช้เป็นฤทธิ์ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ความรู้ของสุขขวิบสโก แต่ที่ประโยชน์จะใช้ได้จะเราสิงนี้กมะหม่อมใช้ได้ดีนเมื่อสรงสมาธิสมาธิจะทรงโตได้นแนบแน่นสะอาดเร็วจิตจะมีความสงบเร็วอันนี้ควรใช้นะสําหรับกระสินทั้งหมดอันในทรงกระสินทั้งหมดก็คือว่าฝึกการเป็นสม กรรมฐานนี้สามสิบกองนะเป็นเทวดาก็ได้เป็นลุกเทวดาก็ได้เป็นภูมเทวดาก็ได้แปลกลาสเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ยังได้หลายอย่างแต่ถ้าเราเสื่ก็ว่าธรรมถึงขั้นชานและแต่ฌานเบื้องต้นตายจากความเป็นคนเป็นพรหมทันทีนี่แหละคืออื้นฐานของพรหมนีที่ว่านาที่นี้เป็นการแนะนําในการเตริยวายโยกสิน ตอนี้ดีดีเขาปฏิบัติจริงๆเขาไม่ทำแบบนี้ก็กมันยากมันต้องใช้เวลานานสมมติว่าบรรดาญาโยมวุตถบริสัทธ์ทุกคนได้ปอทวีตสินมาแล้วแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าได้กองใดกองหนึ่งก็อย่ารีบอย่ารีบเปลี่ยนอย่ารีบก้าวไกองอื่นต้องให้กองแรกคล่องจริงๆ คำว่าคล่องจริงๆหมายความจับระบบทางสีได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการถ้าจะถามว่าเวลาไหนต้องไม่เลือกเวลาร้อนเกินไปหนาเกินไปเหนื่อยเกินไปไม่รู้ทำได้ทันทีทันใดคล่องข้าวแล้วตั้งเวลาได้จะตั้งอยู่ห้านาทีสิบนาทียี่สิบเพื่อทรงได้การชอบใจถ้าเป็นอย่างนี้พวกที่ศึนละยิติเนี่ยสังเกต จะไปแหนะ็ตามจะสว่าง จ, า จ, จาาา้าเต็มจักรวาลแสงสว่างที่เห็นหมดแต่เข้าตัวอย่างนี้แล้วอัดทรงชานสีไม่วิการข้าเดือมอะไรก็ได้ต่อไปก็จับกระสืนก่อนที่สองก่อนจะเข้าก่อนที่อสองเขาจะฝึกต่ออย่าเข้าเบื้องตนเขาต้องเข้ากระสิอก่อนแรกก่อนร้ายจิตทรงชานสีจงชินเดือมสมบายใจป๊อป กลับอารมณ์พักจากกองตำแหน่งเป็นกองในสองทันทีอย่างนี้กองในสอจะเสียเวลาไม่เคยห้านาทีเป็นชาลิสี่ทำเหมือนกันแบบนี้ทุกกองฉะนั้นจะบอกว่าการศิทธิจะยากเจนแทกกองแรกเมื่อกองแรกเด็กเขาแล้วกองต่อไปทำไม่จำนานทำได้ในสามนาทีและสามวันไม่ไม่เกินสามวัน ในสงฆ์วิชงข้อนี้บรรดาญาติโยมพระดูไใส่กระซ่ากราแล้วว่าเหมาะสําหรับในการลอยไปเพื่อเหาะวายโกศิลเหาะนี่ยถ้าปฏิบีรศิลขึ้นบรรยากาศเป็นการเดินไปแบบเราเดินเราเดินช้าเดินเร็วก็ไม่ได้ของเราถ้าการเดินถ้าเราจะเดินกับพื้นดินต้องการเดินเร็วต้องใช้วายโยศิลช่วยถ้าเขาใช้เวลาเดินจริงๆประมาณทั้งคาหกชั่วโมง เราก็ไปไม่แค่สิบนาทีก็ยังชาไปแล้วทีแรกเทียค่วิ่งแข่งก็ได้เลยสิบสองกิโลแรกเดียวขึ้นงนาทีจ้ายังไงแต่วถ้าที่ใช้กว่ายนกระสิเป็นปกติก็ต้องเอาจงวรรณตาังองค์นี้ใช้ว่ายนกระสินป็นปกติเวลาเดินไปไหนเนี่ยเราคนนมนมแขนก็ น, นม ด้วยข น, นมจากพระที่เด่นเก่งที่สุดติดตามท่านต้องวิ่งยองๆเท่าไหร่แล้ววิ่งยองยอย่างช้าของท่านท่านค่อยแล้วนะแต่ว่าต้องการจริงไปตละลางปังแ บ, บเดียวท่านถยงแล้วาาถ้าถามว่าห่อเลยก็ต้องตอบว่าไบเสร็จห่อต้องการให้เร็วเพรอย่างนี้ถ้ายคนอื่นหินไม่ได้นะต้องพระเจ้ากราบนโทษ ต้องอยู่ตาดำพังคนเดียวแต่อยากไปไหนขึ้นมามันช้าเกินไปการเดิ น, นแต่ไม่ไหวมไม่อยากไปไหวว่าช้าก็ใช้วาโยรสินช่วยได้หรืถ้าคนอื่นถ้าโคจรหินนี่ต้องเลิกต้องหยุดลงเดินตามธรรมดาไม่งั้นถูกกลับเป็นโทษพระเจ้าก็ไม่ทรงบอกว่าจะกลับเป็นโทษอะไรแต่ว่าป็นห้ามท้าทำเพราะว่าถ้าไม่ได้ห้ามนะ่ย จะทำก็แไดกันิชาติจะไปทำไงก็หอไปเลยครเปลีนไปอยู่ น, นี่บา่ทีหอกปั๊บไปรั้วโลกเหนือขยับไปทีขัวลงใต้เขาที่ทำงานไม่ได้เลย <laughs> ก็ลงความว่าเล่นเขาก็สิ้นลอยโยกศีลไม่ยุติแค่นี้นะถาถามว่ า, า, า, านแนะนำกันทำไมก็บอกนแนะนำเพื่อมีความเข้าใจในการทรงสมาธิ เอนไว้ถ้าอยากใช้เกสิงเป็นอ่าเป็นนิพพสนา ย, ยานความจริงนิพพานา ย, ยานในใช้ได้กรรมฐานทุกกองเหมือนกันหมดก็ใช้เกสิงเป็นนิพพสนายานได้เลยอันดับแรกเขาดูภาพกระสินภาพกระสินที่เราเห็นนะมันจะไม่มีการทรขขงประการประสมัยถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิมาลายภาพกระสินเราเรียนหายไปแมเพเจอหายเลย เราต้องการใหม่ทั้งรวบทรงกําลังใจใหม่ตั้งเท่านขสิงขุนเท่ากับสิงหาคดถ้าเพ้อหต่อยเดียวไปแล้วแต่แม่งเขาจึงต้องฝึกการตั้งเวลาสมัยก่อนก็ฝึกการตั้เวลากันเอเทียนมาด้าสตังเนี่ยสตังแดงสตังห้างเลยกาะไวต้ตอนใดก็นเหนืให้จุดเทียนูชาถ้าสตังยังไม่หล่นจริงในขันป่าในขันเราจะยังไม่เลิกจะไม่ยอมคลายสมาธิ ให้แยปากมันน้อยก่อนพอก็ะตังหล่เจ๊งผนังเทียนลามถึงจุดนั้นแล้วเราก็คลายสมาธิได้ก็ดูว่าทาสั้นๆใช้เเวลาเด็กๆน้อยติดต่อก็ได้ถ้เก้าวันสิบวันหล่องตัวขยากก็ขยับขยาววันิดหนึ่งก็คยขยับไปจนกรทั่งขยับหมดเทียนถ้าเทียนหมดจนได้ก็ทำกระสินเป็นวันได้ทําสมาธิเป็นวันได้ ถ้าใช้เป็นวิปัฒนาญาให้ดูภา พ, พของมิตของข้อสิง่งว่าดิมิตของสิ่งเราตั้งขึ้นมันก็ท่งตัวแต่ว่าพอเผลอแป๊บเดียวภาพขอิมิตข้อสิ่งก็สลายตัวก็มาเทียบกับร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตอน้นมีความดับในทิ่สุดในสภาพเช่นเดียวกันมเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกแหวานาตาอย่างนี้ที่เรื่องร่างกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ต้องกายมันอีก เนี่ยทกายยนตานุสติกายยนตานุสติก็ได้สกายยทิฏฐิก็ได้แต่เห็นว่าเร็วเห็นว่าสงบเป็นกายยนตานุติเห็นว่าเร็วไม่ต้องการมันสลายตัวเป็นเนวิปัสนาญาณเป็นก็ลราคว้าว่าเป็นวิปัสนาญาณที่เราต้องตัดการตัดจริงตัดที่ร่างกายตัวเดียวเอาภาคกัวสิ่งเข้ามาเทียบพยายามหนึ่งทีนะหนึงทีมันซึมเข้าขึ้นคอ เอาภาพกระสิงเข้ามาเทียบกับร่างกายถ้พาพกระสิงเราสร้างขึ้นมันก็เกิดแล้วก็ร่างกายทุกคนมาถึงวาระจะเกิดไหมมาเกิดถ้พาพกระสิงมาเกิดหน่เดียวติตเครื่องหน่อยเดียวมันก็มันก็ดับหายไปมันก็ร่างกายของคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความถลายตัวในที่สุดเขึ้นชื่อว่าความเกิดมีความสลายตัวมีการไปส่งตัวมีอยู่อย่างนี้มีอยู่ก็เชื่อว่า ร่างกายเป็นปัจจัยเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์แล้วการมีร่างกายอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็มีความทุกข์ทุกอย่างนี้ทุกชาติเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราต้องการจุดเดืดคุณิพา น, นที่นี้ปรัชนาอย่างคิดสั้นๆแต่ว่าเวลานั้นเป็นชางสี่บรรดาญาติโยมพระตถาคตถ้าเป็นชางสี่ปัญญามีละเอียดมากมันจะบ่อจุดอ่อนทั้งหมดว่าอะไรควรไม่ควรจะมีสภาพแจ่มใส ถ้ายาโยนใช้ก๊าซิงเป็นพื้นฐานวัฒนายาด้วยเขาสังเกตแก้วสังเกตมีก๊าซิงที่เป็นแก้วใสเดิมจะเป็นตะเกียงแก้วใสเฉยๆถ้าวัฒนายาดก่อตัวขึ้นเริ่มมีความมั่นคงยังไม่ถึงมสโนดาบันจอเริ่มมีเปลกายเปลา่ลาๆน้อยๆถ้าเกายเปลา่ลาๆรอบก๊าซิงก็มาประมาณ2 5่ส้าเปอร์เซและก็ทรงตัไม่ไม่สลายตัว กี่วันกี่เดือนก็ไมสลายตัวนั่นแสดงว่าท่านเป็นระโษดาบันเองขึ้นมาไม่เกิ น, นถ้าแพลวพาวก็มาประมาณ50เอร์เซตแสดงว่าท่านเป็นสกิทาคามีแพลวพาวไปประมาณ7จปก็เป็นอนาคามีตาแอนนาคามีเนี่ยสังเกตได้ง่ายอาลากะคงความวักระวังเพศไม่มีหมดสลายตัวอารมณ์ความโกรธไม่มีสลายตัว ไไ อ, อ่อไปาแพร่พันธทั้งดวงอิมนดาวตักายพุกแม่งสื่เวลานั้นเป็นระหันถ้าเธอว่ามีสภาพเป็นดามอะไรตายมานั้นตายวันนั้นเนะี่ยอะไรนเพราร่างกายเธอว่าไม่สามารถจะทรงวามเปล่ยนหัไม่ได้ถ้าถึงล้แต่ผลบัณฑิตก็มีความวันนั้ น, บ, นาารบรรดาญาโฉม็ุทธบัิษัทุกวตันเวลาหมดก็ดีงต่อนนี้ไปพื่นาญาโฉมพุทธั ต, ตหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานสมทมทาน